ผู้ทั่วสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพค่ะรายการสังสรรค์สนทนาค่ะดิฉันสังสรรค์ 106 ครอบครัวข่าวเรากําลังจะไปพบกับ รอฟังธรรมะอยู่เยอะเลยนะอ๋อใช่คือเป็นสิ่งอืมการการ เอ่ออย่างน้อยมันก็ยังมีชีวิตค่ะท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้า 269 00006 กับ 0060 เหมือนเดิมอ่า วันนี้ดิฉันเองก็อาศัยเวลาที่ได้ๆคนก็ไปเจอพี่น้องมุสลิม การใช้กล่องซึ่งสามารถจะรับสัญญาณจาก เป็นนานเป็นชั่วโมงก็โอ้รู้สึกท่านทั้งหลายที่นั่งดูทีวีอยู่เนี่ยเค้ามีความรู้สึกเหมือนกําลังนั่งทําบุญอยู่ด้วยดูตลอดเวลาแบบเค้ามีให้ดูเป 24 ชั่วโมง อ่าแล้วก็อย่างท่านที่ไปเยี่ยมเนี่ยค่อนข้างๆไปก็อืม ถ้ามีแง่คิดอะไรสําหรับการที่จะประพฤติกายประพฤติใจในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่กําลังจะมาถึงกับพี่น้องเราๆเข้าใจแล้วจําได้ก็ศีลสมาธิปัญญาก่อน นะกองสมาธินะเช่นการสํารวมอินทรีย์การรูปประมาณในการ 1 2 3 4 พวกนี้จะอยู่ใน<อ> อย่างอย่างคุณชมติ๋วนเตือนช้ามาทุกวันเนี่ยไปห้องน้ําล้างหน้าล้างตาก็ต้องดูอยู่เนี่ยเอ่อเขา <คะ. S 1> นะเป็นสิวเนี่ยก็คือถ้ามันมีสิวก็จะรีบบีบออกทันทีนะเช่นเดียวกัน นะ, นะ, นะ, sensitive ใน <Okay. S 2> ส่วนอีกบางคนหนึ่งก็จะรู้ว่าตัวเองมีปัญหาเรื่อง ค่อยทําไปทีละอันนะค่อยๆดีขึ้นเลยค่ะอืมอันนี้คือการปฏิบัติธรรมแล้วเหรอคะโอ้แน่นอนแค่สองดูว่ากินมากกว่าปกตินะคะอ่าแล้วอยู่แต่เรื่องกินเป็นต้นแก้นะแก้เรา แล้วคุณต้องได้รับการเค้าเรียกว่าปิดกั้นนะปิดกั้นในที่นี้ไม่ใช่ว่าปิดไม่เห็นไม่มองไม่ใช่อย่างนั้นนะแต่ว่าเหมือนกับเอ่อจะเปรียบ 6 ชนิดนะ 6 ชนิดคือมีลิงนะมี 6 6 อย่างนี้นะ แล้วเราก็มาผูกรวมกันไว้ตรงกลางนะถ้าตัวไหนมี<ใช> ปลายเชือกอีกด้านหนึ่งที่มันผูกกับเจ้าสัตว์หกชนิดเนี่ยนะแทนที่จะมาผูก<ใช> เป็นฐานที่ตั้งแห่งการระลึกถึงของจิตแทนที่จะให้จิตเรานั้นไหลไปตามเสียงไหลไป สัตว์ 6 ชนิดแทนตาหูจมูกลิ้นกายใจงูอยู่ลําดับที่เท่าไหร่คะจมูกลิ้นกายใจป่ะ จับสถบชนิดมาลิงเนี่ยจะเป็นอันสุดท้ายอ่านกเนี่ยจะเป็นอันแรกนะนกก็เบรเหมือนนะลิงคือถ้าอยู่ใช่ใช่ใช่จระเกนี่ก็ ท่านบอกว่าให้ใช้พุทโธวจนะที่ว่าให้สํารวมอินทรีย์อืมเอาสติเอาเอาใจวิรูป มันจะถูกดึงอยู่จะถูกดึงอยู่อ่ะเธอคุณโยมติลองเอาสัตว์โหชื่อทําการทดลองจริงๆเลยมัผูกไว้เนี่ยมันยังดึงอยู่มันยังดึง แต่กว่ามันจะอ่อนแรงพออ่อนแรงแล้วมันก็จะมายืนเจ้านั่งเจ้านอนเจ้า ไม่ให้มันไหลไปตามสิ่งต่างๆใช่มั้ยค่ะอ่าทีนี้ธรรมดา Mm hmm. นะแต่ความรู้สึกนี้อาจจะเอ่อไม่ได้ขยับอย่างงี้ มาถึงวันที่จมูกได้กลิ่นแล้วเฉยๆแล้วชีวิตไม่ขาดรสชาติมากแล้วนะๆมั้ยถูกมั้ย 5 อย่างเนี่ยอือ นะคะคือถึงยังก็พยายามที่จะตั้งคําถามมา ที่จะแก้ก็ยกตัวอย่างการต้องการในการสามารถเอาไปประยุกต์ไปแอพพลายกับหลายกรณีมั้ยคะมีความรักแหมมันฝักใฝ่กับ ค่ะคือท่านพระบุญใช้วิธีใช่ธรรมะนี่แหละแต่ทีนี้ว่าๆอย่างงี้คือเรื่องของ ก็คือยาสํารอกยาถ่ายอันเป็นอริยะนะสํารอก <ม. S 1> 8 นั่นเองนะเราเดินตามศีลสมาธิปัญญานะจุดไหนเราทําได้เราก็ทําตรง ถ่ายจนไปถึงจนไปถึงไปวิมุตติอย่างใช่สิ่งสิ่งที่ไม่ดีๆถามง่ายๆแต่ท่านให้ยาชนิด เข้าบรรสาที่อาจจะเป็นโอกาสของบางคนที่ FM 106 เปิด